เรื่องเจ้าหญิงโรฮินีผู้ริศยาพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครทารามกรุงกบิลพัททรงปรารบเจ้าหญิงโรฮินีได้ยินว่าสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะไปสู่เมืองกบิลพั์พร้อมภิกษุห้าร้อยรูปพวกพระญาติของท่านได้มาตอนรับพระเถระนั้น คงขาแต่พระนางโรฮินีพระน้องนางจึงถามหาพระเทเราบว่าพระน้องนางเธอละอายที่เป็นโรคผิวหนังเกิดที่สรีระของพระนางพระเทระแนะนำให้พระนางสร้างโรงฉันทำเป็นสองชัน้นเก็บกวาดปูอาสนะไว้เสมอเสมอจงตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอเสมอกวาดเช็ดถูชั้นล่างชั้นบนทุกวันสม่าเสมอแล้วน่มนภิกษุนั่ง ลำดับนั้นพระนางกวาดโรงชันอยู่นั่นแหละโรคผิวหนังก็หายไปแล้วเมื่อโรงชันเสร็จพระนางนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายพัตตาหารประณีตพระศา ส, สดาทรงตรัสว่าโรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นแล้วทรงเล่าบุรพกรรมของพระนางโรหินี ในอดีตการพระอัครามเมหสีของพระเจ้าพารณสีผูกอาคาตหญิงนักฟ้อนของพระราชาแล้วนาลูกเต่ารังคือหมามุ้ยหรือตแยาไปใส่บนที่นอนที่ผ้าห่มของหญิงนักฟ้อนหญิงนั้นมีสบริระหุพองเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่เวทนากล้าเกิดขึ้นแล้วพระอัครามเมหสีในการนั้นได้เป็นพระนางโรหินีในการนี้ โรฮินีกรรมนั้นที่เธอทําไว้ในการนั้นอันความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้ประมาณเล็กน้อยย่อมไม่ควรทําเลยดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องในนามรูป ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอธิบายว่าคำว่าข้องอยู่ในนามรูปหมายถึงยึดถือในนามรูปโดยนวยะว่ารูปของเราเวทนาของเราเป็นต้นเมื่อนามรูปนั้นแตกไปยอมเศร้าโศกเดือดร้อนผู้นี้ชื่อว่าข้องอยู่ในรูปส่วนผู้ไม่ยึดถืออย่างนั้น ชื่อว่ายอมไม่ค้องขึ้นชื่อว่าทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่ค้องอยู่อย่างนั้นเป็นผู้ชื่อว่าไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเพราะไม่มีราคะเป็นต้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นแม้พระนางโรหินีก็ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลแล้ว พระนางจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในระหว่างเขตแดนของเทพบุตรสี่องค์ในภพดาวดึงถือความเป็นผู้มีรูปเลิศเทพบุตรสี่องค์เห็นนางแล้วเกิดสิเนหาวิวาทกันว่านางเกิดในแดนของเราของเราจึงให้เท้าสักกะวินิจฉัยแม้เท้าสักกะก็เห็นแล้วเกิดสิเนหาจึงตรัสกับเทพบุตรทั้งสี่ว่าพ่อทั้งหลาย ที่พ่อกล่าวว่าพอเห็นนางแล้วมีจิตดุดกรองศึกไม่อาจสงบได้จิตเหมือนน้ำตกหล่นจากภูเขาตาทั้งสองถลนดุดตาของปูดุดธงที่เขายกขึ้นบนเจดีไม่อาจนิ่งอยู่ได้นั้นจิตของพวกท่านยังพอคมได้ก่อนส่วนเรานั้นเมื่อได้เทพธิดานี้เท่านั้นจึงจะมีชีวิตอยู่เมื่อเราไม่ได้จะต้องตาย เทพบุตรทั้งสจึงทูลว่าข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยการตายของพระองค์แล้วต่างก็สละเทพธิดานั้นแก่เท้าสักกะแล้วหลีกไปเทพธิดานั้นได้เป็นที่รักของเท้าสักกะดังนี้และหมายเหตุแม้เท้าสักกะเทวราชหรือพระอินนั้นก็เป็นโสดาบัน อย่างตัดกามราคะยังไม่ได้แม่นางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้โสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบก็แต่งงานมีบุตรธิดาวรวม20สิบคนและหลานสาวตายก็ยังเสียใจมีโทสะร้องไห้ทั้งกามราคะและโทสะพระอริยะเจ้าชั้นอนาคามีเท่านั้นจึงตัดได้เด็ดขาด